คุณค่าและลักษณะพิเศษที่พึงสังเกตเกี่ยวกับนิพนพานเรื่องที่3นิพพานอํานวยผลที่ยิ่งกว่าลําพังความสําเร็จทางจิตจะให้ได้การบรรลุนิพพานแม้จะอาศัยเจโตวิมุตตหรือความสําเร็จทางจิตคือฌานสมาบัติเป็นพื้นฐานบ้างไม่มากก็น้อยและผู้บรรลุนิพพาน ก็มีความเกี่ยวข้องกับความสำเร็จทางจิตนั้นอยู่เรื่อยๆในการดาเนินชีวิตแต่นิพพานก็เป็นภาวะต่างหากจากความสาเร็จทางจิตเหล่านั้นเป็นความหลุดพ้นแม้จากความสาเร็จทางจิตเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งต่อเมื่อสามารถก้าวล่วงความสำเร็จทางจิตไปได้มีข้อควรสังเกตเกี่ยวกับผลพิเศษของการบรรลุนิพพานคือหนึ่งทำให้เกิดความหลุดพ้นขั้นสุดท้ายที่เด็ดขาดสิ้นเชิง ชนิดที่เป็นธรรมดาธรรมชาติไม่ถอยกลับเช่นในทางจริยธรรมมีความไม่เห็นแก่ตัวที่แท้จริงชนิดที่เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นเองเป็นอาการของการที่ได้ทำลายความยึดมั่นในตัวตนลงได้ด้วยปัญญาที่มองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งหลายซึ่งไม่น่าและไม่อาจจะเข้าไปยึดถือผูกพันเอาไว้กับตัวตนได้ในเมื่อเป็นอาการที่เป็นไปเองตามธรรมชาติความไม่เห็นแก่ตัวนั้นจึงทำได้โดยไม่ต้องฝืน ไม่ต้องบังคับใจไม่ต้องอาศัยกําลังจิตไม่ต้องอาศัยการยึดอันหนึ่งเพื่อปล่อยหรือให้หลุดออกจากอีกอย่างหนึ่งเช่นไม่ต้องอาศัยความยึดมั่นในอุดมคติความอุทิศตัวให้แก่สิ่งประเสริฐที่ศรัทธาอย่างสุดจิตสุดใจความคมหรือระงับกิเลส ด, ด้วยกําลังสมถะหรือวิปัสสนาระหว่างปฏิบัติธรรมและความน้อมดิ่งดื่มดำในภาวะแห่งฌานสมาบัติเป็นต้นข้อควรสังเกต เกี่ยวกับผลพิเศษของการบรรลุนิพพานที่อำนวยผลยิ่งกว่าลำพังความสำเร็จทางจิตจะให้ได้ข้อ2ในการที่จะประจักษ์แจ้งนิพพานนั้นไม่ว่าผู้ปฏิบัติจะได้บรรลุความสำเร็จทางจิตไว้แล้วสูงเพียงใดก็ตามเขาจะต้องหลุดพ้นจากความติดใจพอใจในผลสำเร็จทางจิตนั้นมองเห็นสภาวะของผลสำเร็จนั้นตามแนวทางของเหตุปัจจัยตามธรรมชาติ ก้าวล่วงความผูกพันกับผลสําเร็จเหล่านั้นไปได้ก่อนจึงจะบรรลุนิพพานได้อย่างไรก็ตามการข้ามพ้นไปได้นั่นแหละกลับเป็นส่วนเติมเต็มของความสําเร็จทางจิตหรือเป็นความพ้นไปได้ชนิดที่ช่วยทําให้สมบูรณ์ Great. ที่ว่าการข้ามพ้นไปได้เป็นส่วนเติมเต็มของความสําเร็จทางจิตชนิดที่ช่วยทําให้สมบูรณ์นั้นก็เพราะหนึ่งผลสําเร็จทางจิตเท่าใดก็ตาม ที่ตนเคยได้ไว้แล้วผู้มรุนิพานสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเช่นใช้เป็นที่ให้ใจอยู่พักผ่อนอย่างมีความสุขยามว่างดังที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารเป็นการนําเอาฌานสมาบัติมารับใช้การดําเนินชีวิตประจําวันเป็นต้น 2. ทําให้ผลสําเร็จทางจิตที่เคยได้ไว้แล้วซึ่งตามปกติยังอาจเสื่อมถอยได้กลายเป็นภาวะไม่เสื่อมถอย และสุดท้ายการข้ามผลไปได้นั้นยังเพิ่มความสามารถและขยายวิสัยแห่งการเสวยผลสำเร็จทางจิตให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นถ้าเดิมเคยได้ถึงสมาบัตร8เมื่อบรุนาคามิผลหรืออารหัตผลแล้วก็สามารถก้าวต่อไปถึงสัญญาเวทายตานิโรธข้อควรสังเกตเกี่ยวกับผลพิเศษของการบรรลุนิพพานที่อํานวยผลยิ่งกว่าลําพังความสำเร็จทางจิตจะให้ได ข้อ 3.. ความสำเร็จทางจิตอาจระ ง, งับกิเลสและความทุกข์ไว้ได้เป็นเวลายาวนานแต่ก็ยังไม่เด็ดขาดกิเลสและความทุกข์กลับฟื้นขึ้นได้นับว่าเป็นของชั่วคราวเพราะเป็นวิธีคมหรือทับไว้หรือฝากฝังใจไว้กับสิ่งอื่นแต่การบรรลุนิพพานทำให้กิเลสและความทุกข์นั้นสูญสิ้นไปโดยเด็ดขาดเพราะขุดหรือถอนทิ้งด้วยปัญญา และสิ่งที่ดับไปในการประจักษ์แจ้งนิพพานนั้นก็เป็นการดับเฉพาะสิ่งที่ชั่วร้ายได้แก่ตัววุ่นได้เหตุให้วุ่นต่างๆเช่นดับโลภโทสะโมหะดับตัณหาดับภพดับทุกข์ดับอวิชชาไม่ได้ดับอะไรที่เป็นสิ่งดีงามเลยยิ่งกว่านั้นเมื่อดับสิ่งชั่วร้ายแล้วก็กลับมีคุณลักษณะที่ดีเด่นขึ้นมาแทนอย่างชนิดเป็นไปเองตามธรรมดา นอกเหนือจากความสุขคือการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและการบำเพ็ญกิจด้วยกรุณาซึ่งเป็นสิ่งที่ลำพังความสำเร็จทางจิตไม่อาจให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นผู้ประจักษ์แจ้งนิพพานอย่างเดียวแม้จะไม่ได้ความสำเร็จทางจิตที่สูงส่งก็ยังประเสริฐกว่าผู้ที่ได้ฌานสมาบัติอย่างสูงแต่ไม่ประจักษ์แจ้งนิพพานข้อควรสังเกตเกี่ยวกับผลพิเศษของการบรรลุนิพพาน ที่อํานวยผลยิ่งกว่าลําพังความสําเร็จทางจิตจะให้ได้ข้อสการบรรลุนิพพานทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษย์ถึงขั้นพื้นฐานเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนลักษณะความคิดเปลี่ยนบุคลิกภาพมีโลกกัะทัและชีวทั์อย่างใหม่มีระบบพฤติกรรมมั่นคงทั้งนี้เพราะมีความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจที่สําคัญสองด้าน คือความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นและความเชื่อถืออันเป็นเรื่องทางด้านอาวิชชากับปัญญาอย่างหนึ่งและความรู้สึกเกี่ยวกวับคุณค่าหรือการสนองความต้องการอันเป็นเรื่องด้านตันหากับฉันทะอีกอย่างหนึ่งทั้งสองด้านนี้สัมพันธ์กันแต่อาจแยกพูดได้คนละระดับเมื่อเด็กชายก่อถูกเรียกตัวมาพบครูขอถ้าเขาเข้าใจว่าครูขอกาลังหาความผิด และคิดลงโทษเขาเด็กชายก็อาจกลัวตัวสัน่นแต่ถ้ารู้ว่าครูขอใจดีเรียกมาแนะนำด้วยเมตตาเขาอาจมีอาการสงบและอบอุ่นใจคนที่มักมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูกับคนที่มักมองเห็นคนอื่นเป็นมิตรก็ย่อมมีความรู้สึกมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมต่างกันคนผู้หนึ่งเชื่อและอยากได้เพชรสายฟ้าที่เขาว่า ซ่อนอยู่ที่ถ้าแห่งหนึ่งในภูเขากลางป่าตามหลายแทงก็าอาจยอมลงทุนอย่างมากมายยอมเสี่ยงชีวิตตลอดจนอาจถึงกับเข็นฆ่าคนอื่นๆหลายคนยอมใช้เวลามากมายค้นหาเพชรนั้นแต่คนอีกผู้หนึ่งไม่อยากได้ไม่สนใจแม้เพียงจะหันมาฟังเขาเล่าเรื่องราวของเพชรมนุษย์ปุถุชนปรารถนารูปรสกลิ่นเสียงโถทะพระที่พึงใจ เขาย่อมตื่นเต้นฝันใยเอาใจจดจ่อและทําการต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มาเสพเสวยและเขาเข้าใจว่าเขาสามารถครอบครองเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นได้จริงสุขทุกของเขาก็ขึ้นอยู่กับการได้หรือไม่ได้และความผันผวนโปรนแปรของสิ่งเหล่านี้ส่วนผู้บรรลุนิพพานแล้วมองเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะของธรรมดาแห่งธรรมชาติ ไม่เห็นอะไรที่จะเอาตัวตนเข้าครอบครองซ้อนขึ้นไว้ได้มองเห็นสิ่งทั้งหลายกว้างพ้นออกไปจากการเพ่งจ้องหาเวทนาที่จะเสพเสเวยมองเห็นการที่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายไปตามความสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงการที่จะตื่นเต้นฝันใ่ใจจดจอ่อวิ่งวุ่นไปกับการแสวงหาสิ่งเสพเสเวยเหล่านั้นจึงไม่มีความเข้าใจความสัมพันธ์ของตนกับสิ่งทั้งหลายที่แวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ผู้คนธรรมชาติและชีวิตของตนเปลี่ยนไปเป็นอย่างใหม่ความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็เปลี่ยนไปนำไปสู่บุคลิกภาพและระบบพฤติกรรมอย่างใหม่ที่เรียกว่าลอยพ้นจากโลกธรรมหรือถึงอยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลกไม่เพล่เพื้อนโลกโลกฉาบาไม่ได้ภาวะหลุดพ้นและเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นนี้ ยากจะพรณน า, นาท่านจึงมักบรรยายด้วยคำอุ ป, ปมาเช่นว่าเหมือนฟื้นไข้หายป่วยสร้างเมาเย็นลงได้หายร้อนคับสิ่งมักห ม, มมออกหมดแล้วหลุดจากบ่วงพ้นจากเครื่องผูกมัดขึ้นฝั่งได้ข้ามถึงฝั่งที่ปลอดภัยน้ำใสสงบเป็นตน้นอุ ป, ปมาเหล่านี้หลายข้อมีลักษณะร่วมในแง่ที่ว่า แสดงภาวะเดิมซึ่งติดขัดวุ่นวายไม่สะดวกต้องมัวสารวนกับการดิ้นรนปกป้องและส่งตัวเองได้รับความสุขจากการผ่อนบันเทาทุกภัยไปได้คราวหนึ่งคราวหนึ่งจำกัดตัวและจำกัดความสนใจอยู่กับสถานการณ์แห่งการดิ้นรนของตนในขอบเขตอันคแคบนิพานเป็นความเปลี่ยนหรือพ้นจากภาวะเช่นนั้นไปสู่ความเป็นอิสระเป็นไทยแก่ตน สามารถขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวตามปรารถนาไม่ต้องมัวห่วงกังวลกับการปกป้องรักษาตัวตนอยู่ในภาวะปลอดโปร่งโลง่งไปได้ทั่วและมองเห็นกว้างไกลข้ออุปมาเหล่านั้นบางข้อใช้กับภาวะที่เป็นผลสาเร็จทางจิตได้ด้วยแต่กระนั้นก็ยังมีข้อแตกต่างคือความสาเร็จทางจิตให้เกิดผลอย่างนี้ได้เพียงชั่วคราว ข้อควรสังเกตเกี่ยวกับผลพิเศษของการบรรลุนิพพานที่อํานวยผลยิ่งกว่าลําพังความสําเร็จทางจิตจะให้ได้ข้อ5เป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่งที่จะพยายามสแสวงหาความหมายและจุดหมายของชีวิตที่สูงส่งยิ่งไปกว่าเพียงการเกิดมาหาอารมณ์เสพสเวยแล้วก็จากโลกไปบางครั้งมนุษย์อาจถูกความจําเป็นทางวัตถุหรือความดิ้นรนในการดํารงชีวิตบีบคั้น ให้ลืมหรือคดมองหาความหมายเช่นนั้นไปชั่วคราวแต่พอมีโอกาสบ้างมนุษย์อย่างน้อยบางกลุ่มบางพวกก็จะต้องหันมาสแสวงหาแในเมื่ออย่างข้ามไม่พ้นความสงสัยมนุษย์ก็จะต้องหันมาพวงเรื่องนี้กันเรื่อยไปดังนั้นลัทธินิยมหรืออุดมการใดก็ตามซึ่งมุ่งแต่สนองความเป็นอยู่ดีทางวัตถุอย่างเดียวไม่หาที่ให้ใจลง หรือหาที่ให้ใจลงไม่ได้ลัทธินิยมหรืออุดมการเช่นนั้นชื่อว่ามีช่องว่างกว้างใหญ่อยู่ในตัวขาดความสมบูรณ์ไม่อาจสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างเพียงพอพูดตามสำนวนพุทธศาสนาว่าการสนองความต้องการของมนุษย์เพียงแค่ขั้นทิฏฐธรรมมิกระะอย่างเดียวหาพอไม่จำจะต้องให้มีสัมปรายิกะะและประมัตะด้วย เมื่อพูดในแง่นี้ทั้งนิพพานก็ดีความสำเร็จทางจิตอย่างอื่นๆก็ดีคือส่วนเติมเต็มที่ช่วยแก้ปัญหานั้นอย่างไรก็ดีระหว่างความสำเร็จทางจิตกับนิพพานความสำเร็จทางจิตยังจัดอยู่ในระดับสัมปรายิกะถะคือประโยชน์หรือจุดหมายที่ล้าลึกเลยหน้าออกไปจากทิฏฐธรรมิกถะเป็นระดับถัดออกไปหรือขั้นรอง ยังจะต้องก้าต่อไปอีกสู่ขั้นสุดท้ายคือ น, นิพพานซึ่งเป็นปรมาะหรือจุดหมายสูงสุดอันเป็นความสมบูรณ์ที่แท้จริง